เรื่องอีสานเขียวโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอน้มน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ป ร, รินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวขออมนวยพรสริสวัสดิิพัฒนมงคลความพาสุขทุกประการ จองบังเกิดมีแต่ญาเจาอมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้ที่สวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกดาสนี้วันนี้เป็นอีกวันหนึง่งที่เราทั้งหลายจะได้ มาทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับหลักสินหลักธรรมการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้นำไปเป็นเครื่องเดินจิตสกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาซืบต่อไปตามแต่สมควร ที่เวลาจะอำนวยให้เราเท่าที่มันจะมีอะไรมาคิดแล้วแล้วเราเล่าว่นจะพูดเรื่องอะไรดีให้ท่านหลายที่กําลังอืได้ฟังกันมาเป็นประจำเรื่อเงเนี้ยวันก่อนเราได้พูดกันมาหลายเรื่องหลายเราในวันพระก่อนก่อนนู่น มีหลายวันพระที่ผ่านมาเราก็พูดกันมาไม่ได้ขาดเป็นภาพเป็นภาพมาแต่ในวันพระนี้ภาคนีอาตามาคิดว่าจะพูดเรื่องอีสานเขียวปราศกระาเรื่องอันเนื่องมาจากอีสานเขียวก็แล้วกันอาจารยมาได้เคยมีโอกาส รับในมวลเปบรรยายแนะนําชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่จะสร้างสารรค์อีสานเขียวขึ้นมาแล้วก็เลยได้ขอคิดหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับสาภาพเป็นอยู่สาภาพชุมชนของเราในยุค ป, ปัจจุบันแต่นี่โครงการใหญ่ของเราที่เรารู้จักกันอยู่ในนี้ในภาคอีสานฮือหากันเนี่ยก็คือโครงการอีสานเขียว อันเนื่องมาจากน้ำพระไทยจากในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระมหากรัตตาที่ราชเ จ, จ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ในธรรมพระองค์เห็นว่าความทุกข์ของแผ่นดินก็คือความทุกข์ของพระองค์เห็นว่าพี่น้องชาวอีสานของเราทุกยากลำบากแห่งแรงอดอยากอยู่ห้อยกันพระองค์ไม่ทรงนิ่งนอนใจเวลาพระองค์ได้เสด็จ พระราชาดำเนินมาผ่านแต่ละครั้งพระองค์จะทรงแนะนําเจ้าหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่นให้รู้จักวิธีการต่างๆที่จะแก้ปัญหาแก่สังคมแก่ชุมชนพระองค์เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่พระองค์สนแก่มากในยุคนี้ก็คืออ่างเก็บน้ําคูคลอง้วยเล็กห้วยน้อยที่มัน มีอยู่ในภาคอีสานของเราเมื่อพระองค์ลงจากเครื่องบินเราก็จะได้เห็นได้ว่าพระองค์มีแผนที่พระองค์พลังคล้ายๆพระองค์เป็นไนพระองค์ก็พะเอาแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วตารางกิโลเมตรของประเทศไทยไปด้วยอยู่ในพระราชทะเลไทยของพระองค์นั้นเหมือ น, นประเทศทั้งประเทศยังไงนั้นพระองค์ทรงรู้จัก และพระ อ, องค์ก็เลยมาคิดว่าควรจะได้พัฒนาภาคอีสานโดยสร้างอีสานที่มันแห้งแล้งในหน้านี้ให้มันกลายเป็นอีสานที่เขียวชุ่มก็เลยเกิดมีน้ําพระไท่จากในหลวงจากนั้นทางรัฐบาลก็ดีทางกองทัพก็ดีก็เลยดอดลงมาหลายหน่วยงานมารุมมตุ้มที่จะออุ้มให้ความดํำริของพระ อ, องค์เนี่ยได้สำเร็จผลขึ้นมาให้อีสานเขียวหวานเงันเถอะนะ การทําทอย่างนี้อืมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายเห็นแล้วก็น่าอนุมโมทนาและควรจะให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือกันทุกวิธีทางเท่าที่จะทํากันได้จึงจะสำฤทธิผลอีสานจึงจะเขียวขึ้นมาได้ทํายังไงอีสานเราจึงกะเขียวเดี๋ยวนี้อตาตมาคิดว่ามันไม่เพียงพอแต่อีสานเขียวซะแล้วละ่ะ มันจะต้องมีเนื้อเขียวกลางเขียวใต้เขียวซะแล้วผ่าตายของเราก็กำลังโถกภัยธรรมชาติโศกนาฏกรรมความจริงนั้นในสมัยหนึ่งเราเคยได้ยินเรื่องเสกถินไทยเสกสินทินไทยนี้รู้สึกจะเป็นอาอาพระเดชประุลทันต้นเด็จชสังฆราชอ้วนติดโส ซึ่งเป็นชาเมาออืองอุบลตอนนั้นได้นำต้นสีมหาโพธจากประเทศอินเดียนำมาปลูกในที่ต่างๆที่คนครพนมคนครปฐมที่ปักใต้ที่ภาคเหนือและก็พูดเรื่องเสกถินไทยถินไทยเราเพอจะแบ่งกันเป็นคร่าวๆได้สี่ภาคคือถินภาค ก, กลางถินภาคใต้ถินภาคเหนือถินภาคอีสาน ภาคอีสานเป็นท้องถิ่นที่มีประชากรมากแผ่นดินที่ราบสูงเต็มไปด้วยความแห้งแล้งแต่ประชาชนก็อยู่กันหนาแน่นแออัดส่วนภาคเหนือก็เป็นต้นน้ำลำธาโรโพธเขาลำธารละหานห้วยุดมสมบูรณ์เหมือนกันเรื่องหลากสีสตรีสวยธรรมชาติงดงามอากาศเยือกเย็นในหน้าหนาในหน้าร้อน พระสงฆ์องค์เจ้าทางอีสานโดยเฉพาะพวกที่ชอบปะเขาลำเนาภัยถ้เดินขึ้นไป่านเหนือแล้วก็ลืมบ้านกันคลั้งคลายรสเสน่แห่งธรรมชาติดอยเอยถ้ำเอ๋ยผาเอยส่วนมากพระภาคอีสานเราทั้งนั้นทีนี้ตัวเมืองอีสานนี้แหละในสมัยนี้ไม่มีใครอยากจกพิษสวัดเท่าที่ควรตอก ในตะคนอีสานเป็นพระเองไปภาคเหนือฝ่ายกรรมฐ า, านก็จะเดินทางขึ้นแต่ภาคเหนือทุ่งลงภาคเหนือเมื่ อ, น, อนั้นก็ลงภาคใต้เมื่นั้นก็ไปตะวันออกอีสานที่หิง้งแรงไม่มีใครอยากจะอยกทลายนนะักส่วนพระที่มุ่งมั่นการศึกษาในเมืองสําเร็จเป็นมหาบาัณฑิตแล้วก็ดีหรือที่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณกด็ดีก็ไม่มีใครค่อยอยากจะกลับบ้านเมื่อได้สำเร็จยุนด็ดดอกเตอร์ทางพระก็ไม่อยากจะกลับ กลับมาอยู่สองสามวันย่านใจขาดตายเน่ากินบดีจะไปหลอกหาอาหารเฝ้าไปดีกว่าลักษณะเช่นนี้แต่ก่อนใน ไ, ไหนแต่ ไ, ไรนู้นเราได้ยิยนคำพูดที่เรียกว่าเสกทินไทยนั่นแะท่านบอกว่าภาคเหนือเป็นทินไทยงามภาคอีสานเป็นทินไทยดีภาคกลางเป็นทินจอมไทยภาคใต้เป็นทินไทยสมบูรณ ถ้าไม่ยังพูดอย่างนั้นเห็นดีจะต้องเป็นเรื่องจริงๆเหมาะสมกับพ่อคำนี้ผาเหนือถิ่นไทยงามเรื่องหลากสีสตรีสวยห้วยทาละหันน้องแล้วก็มีดอยมีภูเขาสูงๆตกคมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณอากาศเย็นในน้าร้อนงดงาม บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองคนมั่งมีสีสุกไปที่ไหนหมู่บ้านไหนมีวัดอยู่บนดอยมีบันไดานาาบ้านไม้สักสุวัดอยู่บนดอยเย็นเย็นมาได้ยินเสียงะระฆังกลงวานมาจากทางดอยแม่เมือนกับเมืองสวรรค์ในจินตนาการของคนที่ไม่เคยไปพบไปเห็นสวรรค์นั่นแหละงามผู้คนก่องงามผู้หญิงก่องงามผู้ชายกองงามเพราะว่าอากาศมันดีหนาว ร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไปหนาวก็ทำให้คนขาอยู่แล้วร้อนก็ไม่ร้อนนักอาหารอากาศหลักเนี้ยช่วยให้ผ้าเหนือของเรางามมากส่วนผ้าอีสานนั้นเรียกว่าทินไทยดีทำไมยังเรียกว่าทินไทยดีดียังไงยิงไม่ออกฟันไม่เข้าอย่างนั้นหรือไม่ใช่ หมายถึงจิตใจคนดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนเมตตาปานีมีศิลมีธรรมรักกันชั้นพี่ชั้นน้องโอพขอบ อ, อารีใครจะไปแขกจะไปไทยจะมาในแผ่นดินอีสานนี้ไม่มีเงินสักบาทก็ไม่ต้องซื้อข้าวกินขึ้นไปบ้านไหนจะได้กินข้าวในสมัยก่อนภาพอีสานเป็นอย่างนี้ภาพฤษรวมรวมของชาวอีสานจึงเรียกว่าทิมไทยดีรักกันชั้นพี่ชั้นน้องช่วยเหลือเจือจุนกัน ที่มัดีเพราะมันทุกนะที่ไหนมีความทุกที่นั่นมีความรักที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกถ้าหากตกลับตรงกันข้าวที่ไหนมีทุกก็ที่นั่นมีความรักต่างคนต่างก็ทุกต่างคนต่างก็ยากก็เลยเห็นอกเห็นใจกันเราก็จิตคิดดูเราเขาก็ใจปลูกอ <im Abdul> ื่นใจหรือจะสูบปลูกไม่ตีเคยทุกเคยยากเห็นอกเห็นใจกันเรียกว่าอดทนกันกินก้อนเกอด้วยกันในยามยากในแผ่นดินที่กันดาน เช็ดน้ำตาให้แกกันละกันในยามจนในแผ่นดินที่แห้งแล้งสมัยก่อนความบรนดาความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าอย่างนี้คนอีสานไม่อยากจะหนีจากมาจากช่องรอกอยู่กันอย่างนี้แหละเรียกว่าถิ่นไทยดีคนที่อื่นมาก็ได้ยกจ่องสรรเสริญเอาน้ําใจคนอีสานนี้ทุกข์ยากไร้ก็ตั้งแต่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจไม่แห้งแรงดังคํากล่าวว่าเมนซิ ท่วมเลนแหลงขาดแรงวสมบูรณ์ประเพณีทั้บุญเสืออีสานบ่เคยถิมเอาความดีเป็นหลิ่มสลักไกไหวข้องทีสารมขี่หยึดไหวบ่ไล่ถิมขิดข้องแลยังบอกว่าแมนบ่ได้มาเหมือนหายอีสานคำหนำขอดแองเคาะก็เคแต่อูแองนนำจิตใจนั่นบ่ขอดนำ้ำเนี่ยคนอีสารเป็นอย่างนี้เก้าสีแหลงสิบสี่แหลงเพียงพ่ายภาคภูมิสถาน อันนําใจคนชาวอีสานบ่อหอนมีแามแหลกยังหักแพงพ่งเสือเครือเดียวบรุษลาอุณาพ้องพี่น่องในเพี่อนส่วนซอยกันคำกล่าวเหล่านี้แสดงออกถึงความร่ํารวยทางด้านจิตใจจึงรีกวัดถิ่นไทยดีหาภาคไหนจะมีเหมือนที่นี่ส่วนภาคกลางเรียว่าถิ่นจอมไทยพระราชวังพระเจ้ายโยโฮัวรัฐบาลสูงกลางการปกครองอะไรต่างๆอยู่ที่ภาคกลางทั้งนั้นเออเรียกว่าถิ่นจอมไทยหัวใจ ของประเทศอยู่ตรงนั้นส่วนปักได้ทินไทยสมบูรณ์สวนยางเอ่ยเมืองแร่เอ่ยดีพวกเอ่ยอากาศดีฝนตกอยู่ตลอดปีเพราะมันอยู่ในแหลมของ ม, มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกลมพัดขึ้นฝั่งทางไหนก็ตกกันทางนั้นภาคใต้อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทรัพยากรคนไม่รู้จักทุกก ย, ยากกันละไม่สมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ถ้อยคาเหล่านั้น กำลังเหลือไว้เพียงความฝันในอดีตเท่านั้นทิ้นไทยงามก็จะเป็นทิ่นไทยที่สิ้นมนขลังสลาทางภาคเหนือธรรมาชาติดินฟ้าอากาศถูกทำลายย่อยยับแม่น้ำปิงวังยมนานเกือบจาะคอแห้งขาดเป็นวังเลว้วจะว่ายังไงแถวสุขโขทัยบ้านเก่า่อกุนรามคำแหงของเรานี่แถวบ้านคลองสาราญทอทาต้นทงแถวนี้ทางอาเภอ แถวตำบลไทยชนะศึกทางอำเภอทุ่งสรียมแม่น้ำสายนี้ไหลมาคลองสมานแต่กอน้ำแล้วคนเดี๋ยวนี้แห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วแม่น้ำลำธารละหานห้วยจากภูเขาก็หวดแหง้งก็เหลือแต่แม่น้ำสายใหญ่ปิงวังยมหน่านนี่ยังเกือบจะแห้งทิ่นไทยงามกลาก่าวตอวจะสิ้นมนขลังกันแล้วแม่ก๊กอะไรต่างๆพวกเนี้ย ส่วนทินไทยดีอีสานบัตรนี้เหลือไว้เป็นความฝันเท่านั้นเองมีแต่ความเฮ้งแรงทางด้านจิตใจไม่หวักใครทั้งนั้นตลอดทั้งผู้ที่มีอํานาจวาดสนาะไดเป็นหลักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนชาวอีสานหนีไกลจากบ้านศึกษาร่ารวยเป็นเจา้าเป็นนายเป็นผู้มีอํานาจวาสนาะไม่ค่อยอยากจะกลับมาอยู่บ้านบริหารท้องถิ่นของตอนเองพะอะรงองค์เจ้าไปเรียนสูง จบด็อกเตอร์ปริญญาจบมหาเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณแล้ก็สแสวงหาตําแหน่งแห่งที่อยู่ทางภาคต่า ง, างในเมืองใหญ่ๆไม่สนใจจะย้อนกลับมาสู่แผ่นดินอันแห่งแล้งแผ่นดินนี้ไร้มนขังแผ่นดินนี้จะเป็นแคว้นศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตใจได้อย่างไรความแห่งแรงเหล่านี้มันยิ่งกว่าความแห้งแรงทางด้านแผ่นดินความแห่งแล้งของจิตใจเพราะนั้นถิ่นไทยดีก็เรือแต่ถิ่นไทยเลว เข้าไปยิ่งไปกวะนั้นชาวบ้านธรรมดาคนหนุ่มคนสาวก็ไม่พอใจที่จะอยู่บ้านพัฒนาท้องถิ่นดินอีสานที่กินดินหากินต่างก็เมามองฝ่ายฝันทรงความหวังออกไปสุดขอบฟ้าหลังจากนั้นก็วิ่งไล่คว้าความฝันตง่งนู่นนี้ไปอยู่กรุงเทพท่านทั้งหลายคงเคยได้พบได้เห็นส่วนทาง ภาคใต้ถิ้นไทยสมบูรณ์เดียวนี้ก็ไม่แน่เอกเหมือนกันฝนตกมาสามวันเข้าวันที่สี่บ้านกระทูนก็จมอยู่ใต้แผ่นดินถูกธรณีสูบแผ่นดินพังทับปัญหา น, านานาประการฆ่าล้างโคตรเจ้าพ่อนายหัวอะไรต่างๆโว้ยทางภาคใต้ทางภาคตะวันออกอย่างกรณีเสียหวดอะไรต่างๆในฆ่ากันมันเกิดวิกฤตการณ์กันไปหมดแล้วทีนี้แันที่จะมาพูดกันในเรื่องแก้ไขปัญหาอีสานเขียวไม่พอหรอก มันต้องสยามเฉียวพัฒนากันทั้งประเทศนั่นเนี่ขอประธานอภัยไม่แน่ใจว่าเราจะพัฒนากันได้สัก แ, แค่ไหนรัฐบาลทุ่มเงินมาปีนี้ชื่อว่าเป็นการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าสองหมื่นล้านดีมาพัฒนาอีสานให้เขียวบัดนี้ความแห้งแรงยิ่งเพิ่มะวีความรุนแรงความอดอยากขิวโหยได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ ป่าไม้ถูกทำลายเกลื่อนนอกจากนั้นห้วยน้าลำธาร เ, เหือดแห้งฝนฟ้าไม่ตกตองตามดูดูการบกจะตกก็ตกกันยิ่งใหญ่แต่เราก็ไม่มีอะไรมาเก็บมากักไว้ยิ่งไม่มีต้นไม้ต้นไม้ถูกทำลายป่าดงพงผายหายไปหมดเหลือแต่ตอนี่จะดินบ่ไม่ใหม่ดินซิไงเป็นทงบ่มีดองดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแ่แหลม สายทะลาะเคินแห่งแฟงสุรีห่อนจีสีวิชัสตำเสือสี่ศูนย์สิ น, สนเผ่าพันเดือนนี้สูนพันไปเกือบหมดไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะไม่ถูกล่าในแผ่นดินอีสานมดตัวแดงแมงตัวน้อยมดแดงออกมาไปแง่กินอยู่ด้หูขุดเอาบินอยู่บนฟ้ายิงกินอยู่ในน้ำถอดกินโอ้ยจุดจีอยู่ใต้กองขี้ควยขุดมากินแมงกินนูนแมงหยงไตมากินอีสานเรากิน ยังเหลือแต่แมงวันกาลังพิจารณาว่าสิกินวิธีใดมันจะเสียแสบแมงวันนี่ก็กินกันแล้วนั่นทางประเทศสเปนแมงวันทองผัาบาละฮันีกกินแล้วเตะปิ๊ดดังไงเหลือแต่แมงกระสามแมงกระสามก็กินอีกแล้วบอกว่าค่ะมันอยู่ในข่าวสารหลา ย, ลายๆจะได้ปิ๊ดโอ้โหขวดแสบคืออย่างนี้เพราะว่าแล้วมีสัจว์นิดใดที่จะไม่ถูกตามล่าไม่ถูกตามกินเลยในผ้ า, ผาอีสานอันนี้อเรามาเคยประโยู่ทางแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ทะเลทรายซาห์ทะเลทรายอาระเบียแถบตะวันออกกลางได้พบความแห้งแล้งยิ่งกว่าพวกเรานี้แต่ชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามรักท้องถิ่นปลูกต้นไม้ต้นไร่กันแต่คน อ, อีสาาเรายัางไม่รักท้องถิ่นยังพยายามอยากจะหนีไปตายเอาดามหน้าไปมั่งมีสีสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ดูหนังดูละครดูความสวยสดงดงามโรเกชั่นที่เขาถ่ายทําออกมาก็อยากเห็น ไปคูดไทไปตัดปอไปทอนมันอยู่นั่นนะจิตใจเม้อเลื่นลอยไปตามหนังตามละครที่เคยดูเขาฉายออกมาอยากไปเห็นตรงนั้นอยากไปเห็นตรงนี้อยากจะเป็นนางเอกอยากจะเป็นพระเอกจิตใจก็เลยแห้แงแหลงแห้งแหลงบัดนี่เมนไปไผ่กะหักหูพ่ายผากุ่มอีสานเป็นแผ่นดินกันดานหัวไฮสวนหน้าแหลงหน้าขาดเกินเลยแห่งก็ที่ ก, กรรมการเกษตรบอวชลุ่หลาบดอโดยด่านเหือแห้ง อีสานค้ามเฮาแห่งให้ห้มแห่งกันแตงอีสานค้าแห่งแหลงห้มแห้งก่องซอยกันให้เจ้ามาหมา่าถอนอีสานค้มามมห้อมพวกเขาน้อเชิญย ม, มา่าเนียงขันเขาเนิ้วปัน่นซอยกันอันแนียนน้ยหน้ามเขานิ้วนั่นให้ขึ้นตังกับกิโซดให้เจ้าปัน่นให้แข้งแกนไหวปานนั่นจังเพื่อพ่อเขาเนิว้วต้องปัน่นให้มันแน่นยึงอยู่ได้เดีนี่ไม่ได้ไม่แน่นไม่อยาแกอยู่บ้าน พระสงองค์เก่าไปเบรียนหนังสือกรุงเทพไปในเมืองใหญ่ๆเป็นมหาเป็นพระภูกลับมาบ้านอยู่บ่ได้พ่อสามเมื่อยานเป็นโลขาดอาหารตายกินบอ่อแสวอันเขาเนี้วก็เคยจำกินนึ่มกันกับจำถวยแจีวบัดได้เจีย๊ยเข่าเจ้าแล้วทะลุ่มเสือเซนโต้พากันโวหารอ่างค้านคํออาอวดสลัดรำปรมาชาเจ้าพักเกิดแก้วกัมอีสานผีเซนกันนู้นก็จะเจะชักชวนแหละอย่างข้าพระเจ้าอาตมาที่พูดดูนี้ ฝรั่งนี่มตนไปห้าครั้งหกครั้งแล้วเมืองนอกบ่ไปสยูบเป็นภายอีสานแห่งแรงเมืองสกลนครบ้านค่อยเนี่ยทนมันอยู่ตรงนี้สร้างสรรค์ตั้งคมของเราทำไมนกหนูปูปีกมันก็มีปีกมันไม่บินหนีมันยังรักถิ่นรักฐานอาจะมาเคยไปอยู่ออฟริกาทะเลทรายซาฮาราไปอยู่ที่ทะเลทรายอาระเบียน ไปเห็นโอ้่มันเฮงแรงจริงๆมองสุดโลกของโล ก, โลกตาขับรถตั้งแต่นู่นตั้งแต่เมืองดำมัมในยันโตเรียบกันตาบูกออกไปนู่นอันเาริญทะลุออกโตเรียบไปจอระแดนไปประเทศจอดแดนระยืดทางเป็นพันสองพันกิโลไม่มีป่าเขาลำเนาภัยมีแต่ทะเลทรายเวิงมวางสุดขอบฟ้า ทล่องกันไปทั้งรเป็นพันๆไปบูเลด้าไปกาซิมออกไปนุ่งเจด้าออกไปทางทะเลแดงเวยสองพันสามพันกิโลไม่มีปลาดององไผ่มีแต่ทะเลใสใสและแหล่งไหลไปแหล่งแหล่งงี่มเหือดแห่งไหลเหลื่อบอเศร้าห่อนอุดเอาไปตัวว่าตาว่าเน่าเพลียงลงควนคุ้มฝ่าหอมมันหน้าคอยแต่นึ่งเฮียมหักพีนุตนาละส้วงอ่างเงยกาสันได้ ย, ยินคนโบราณเขียนไว้ในวรรณกรรมเรื่องสีทนตามนางวโนลาเป็นเรื่องจริง ทะเลสายและมีสิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งพวกอูดพวกลาที่อยู่ในทะเลสายมันอดทนอยู่อ่ำกลางความแห้งแล้งนึกว่าเอทําไมมันไม่พากันเดินหนีมันอยู่กันได้เนี่ยมันทําไมไม่เดินหนีดูดูแล้วมันรักถิ่นฐานบ้านช่องบ้านเกิดเมืองนอนของมันทีนี้ถ้าจะว่าอูดก็ดีลาก็ดีมันไปยากมายากมันก็คงเลี้ยงมันเกิดอย่างงั้นมาดูนก นกเกิดในทะเลสายมันมีปีกบินได้เวลาเกิด sandstorm windy sand พายุฝุน่นทรายเจ็ดวันแปดวันพัดบีดวิวถ้าหากมันจะไปมันทำไมไม่บินไปกับสายลมเหล่านั้นบินไปวันหนึ่งเย้ยเป็นสามพันสี่พันกิโลเพราะลมพัดด้วยความเร็วสูงมันก็จะได้ไปอยู่ที่ดีๆถ้าไม่มีลมมันก็บินตายวันละเล็กระ น, น้อยมันก็ไปได้ แต่มันก็ไม่ยอมไปนกเขาเกิดอยู่ในทะเลทรายนี่นอนอยู่ในอยู่ในก้อนหินนอนอยู่ในหลืบหินในภูเขาหัวโลนใน ม, มีป่ามีต้น อ, อย่างเรานกกาทานี่อืม <c oughs> ในสหรัเอ๊ะทาไมนกเหล่านี้มันมีปีกมันจึงไม่ไปเพราะมันรัก บ, บ้านเกิดเมืองนอนของมันเพราะนั้นแนวโน้มทางที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาอีสานให้เขียวนั้น รัฐบาลจะทุ่มเงินมาเป็นแปดแสนล้านก็ยังเขียวไม่ได้ถ้าหากยังไม่พัฒนาคนอีสานเราสามารถที่จะใช้เครื่องจักรกลอินทริพเมนต์แท็กเตอร์โหลดเตอร์สเก็ตเปอร์เอ็กวตอร์อะไรต่างๆขุดกัน้นเคลนอ่างเก็บน้ํากูคงเราสามารถทําได้ฝนตกในภาคอีสานนี่ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับทางแอฟริกาทางตอนออกกลางโห้ยมันดีกว่ากันเป็นหมื่นๆเท่า สามารถที่จะเก็บกักเอาน้ำเอาไว้ได้หรือเช่นนั้นเราสามารถที่จะชักแม่น้ำคงขึ้นมาใช้เหมือนประเทศอินเดียเขาเอาน้ำจากแม่น้ำคงคา ขุดออกมาเลยตรงที่เมืองหาริทวาระเมืองประตูสวรรค์ตอนเหนือไม่ต้องมาเอาน้ําสกปรกศพคนลอยตายก็ป่องตุ๊บป่องใต้เมืองพาราณสีไม่เอาเขาขุดมาจากรูดแม่น้ําคลองคาไลามาจากภูเขาหิมลัลัยไม่คาเขาขุดที่เมืองเทา้าหาริทวาระรส่งซัพพลายมาหล่อเลี้ยงเอาแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็แห่งแหลงไม่มีต้นไม้ของอินเดียก็ ท, าทําได้ แต่แม่น้ําคงคานั้นต่างเล็กกว่าแม่น้ำโคงเราตั้งเยอะเลยแม่น้ำโขงเรานี่มีเจแลแงนี่ดีปุ๋ยธรรมชาติไหลเมื่อยเกลือยังสามารถที่จะทได้แต่อันนี้เป็นการแก้ไขทางวัตถุสิ่งที่จําเป็นที่สุดนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังไงก็แก้ไขได้แก้ไขความเฮี้แรงเราสามารถเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสูงเรามีดาวเทียมลอยอยู่เนื้อ เอาอากาศเป็นร้อยๆดวงเพื่อจะตรวจสอบสภาพอากาศฝนจะตกตรงไหนจะเฮงแรงตรงไหนเราสามารถจะรู้ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถพัฒนาด้วยเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสิ่งนั้นก็คือมันสมองของชาวอีสานหัวใจของชาวอีสาน เราเจ้าอะไรมาสร้างเขื่อนกั้นน้ําใจชาวอีสานไม่ให้มันแห้งแล้งไม่ให้มันเห็นแก่ตัวให้ความร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลลองเห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นตัวเองสร้างพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมักง่ายความขี่เกียวความฟุ่มเฟือยความไม่อยากอยู่กับบ้านความอยากใหญอยากโตอะไรต่างๆเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มาเป็นบุคคลผู้มีชีวิตเรียบง่ายสอดคล้องกลมเกลืนทับธรรมชาติข ย, ยันหมั่นเพียรอดออมประหยัดเปลี่ยนพฤติการอัน เรลายของตนเองค่านิยมที่ผิดผิดเปลี่ยนมันออกไปแล้วเราก็อยู่กันด้วยศีลธรรมเอาอะไรมาสร้างเขื่อนกั้นน้ําใจชาวอีสานแท็กเตอร์ไม่สามารถทําได้บุโดเซอร์สเก็เตอร์โรลเดอร์เอ็กวายเตอร์ใช้ไม่ได้เอาอะไรมากัน้นทําเขื่อนกั้นน้ําใจทําอย่างไรเราจึงจะมีสหกรณ์หัวใจที่เรียกว่ามะนักสกเรนังมะนักสกเรนังมะนักสห กระนังมีหัวใจรวมกันเป้าหมายอันเดียวกันรักกันฉันพี่ฉันน้องต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตอนเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมขาดนิยมอันมันผิดผิ ด, ผดทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยๆแล้วก็ปลดปล่อยตอนเองจากพันธนาการของสังคมขาดนิยมผิดผิดไม่ยอมเฮเห์มไปกับฟร์ลังมั่งค้า วัตถุนยิยมเรายัางเป็นผู้ไม่มั่งไม่มีเป็นนกไม่น้อยก่อทารังไม่น้อยโย่ไม่ไฟฟันที่จะไป น, นอนในรังอีแรงอีกามันใหญ่โตมันจะเวิร์งว่างอย่างนี้พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ขายยันหมั่นเพียรในการงานประหยัดอดออมไม่เป็นผู้ฟุ่มเฟยอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อีสารเขียวแน่แน่เดี๋ยนี้รัฐบาลทุ่มมาเธอความจริงความแห่งแรงนั้น มันก็เกิดมาจากฟีมือของคนที่ขาดแคลนน้ำใจเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนในประเทศทางแอฟริกานะต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวแห้งเหลือโซนไรนาเปลี่ยนแปลงเป็นทะเลทรายแผ่ขยายกว้างออกไปทุกวันเพื่อที่จะให้ต้นพืชสาชาตกลับฟื้นคืนมาเป็นสีเขียวชะอมคนอีสาน ของเรารัฐบาลไทยของเราก็เน้นที่จะทำอีสานเขียวความจริงโครงการนี้ได้เกิดขึ้นมาเมื่อปี2528โดยองค์การอาหารและเกษตรกรรมของโลกซึ่งมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า FAO Food and Agriculture Organization กำหนดปีนั้นเป็นปีป่าไม้สากลระหว่างประเทศทั่วไปสำคัญยิ่งก็คือเป็นวันปลูกรดนไม้แห่งชาติความจริงไม่ต้องเอาเป็นวันเดียววันทำทั้งปีทั้งชาติ เราจะต้องยอมรับความจริงดูข้อนังว่าโลกกลมๆนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยพื้นพี่พบมีลักษณะคลุคละได้รับแสงตะวันไม่เท่ากันเป็นผลให้สภาพดินฟ้าอากาศและความเป็นอยู่ของคนเราแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคคือทางซีกโลกด้านเหนือของโลก มีอากาศชื้นฉับอุดมด้วยอาหารการกินแต่ทางซีกโลกด้านใต้อาหารแห้งเลง้งอากาศแห้งแล้งอาหารอดยาผู้คนกินข้าวไม่อิ่มที่พอมองเห็นก็คือชาวยุโรปฝรั่งมัง่งค่าทางตะวันตกมีอาหารเหลือล้นเก็บสํารองไว้ในสต๊อกแต่เสร็จแล้วชาวแอฟริกากําลังหิวห้อยท้องเกี่วเกีวแห้งแล้งขยายบริเวณที่เรียกว่าซาเอนทางตะวันตกเฉียงเหนือแ อ, อฟริกาไปยังภาคตะวันออกเกลือขา้าบปยัแอฟริกาภาคใต้ ฝนตกน้อยหรือบางแห่งไม่ตกเลยพื้นที่กลายเป็นทะเลทรายขยายวงกว้างทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์อีกเหมือนกันคือมนุษย์นี้ได้ทำลายธรรมชาติดินฟ้าอากาศทั้งป่าทั้งดงยังในประเทศเอธิโอเปียเมื่อปี2530ที่ผ่านมาเนี่ยสองปีก่อนเนี่ยเราได้ทราบข่าวออกมาทางหนาบ จอโทรทัศน์ทีวีหนังสื้อไปโมย้ยพร้อมกระล่องกระแหลงหัวโปโปมีแต่หนังหุ่มกระโดกหลังจากนั้นก็ส่งสารตายกันชิบหายวายวอดเป็นภาพที่น่าเศร้าสะเทือนใจของเพื่อนร่วมโลกซึ่งเห็นภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีแต่หนังหุ่มกระโดกดูดีเห็นแต่หัวเพราะว่าส่วนหัวมีกระโดกมากนอกนั้นมีแต่ความอดอยากขิ้วโห้ย ตายกันมากมากสาเหตุในความแห้งแล้งอดอยากในประเทศเอธิโอเปียนั้นถ้าเรามามองดูแต่ผลความอดอยากหิวโหยทุกยากลําบากแล้วเราจะเข้าใจประเทศนี้ได้น้อยไปหน่อยความจริงเอธิโอเปียนี้ไม่ใช่ประเทศที่แห้งแล้งอดอยากมาตั้งแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรที่มันแห้งแล้งมันอดอยากทุกยากลําบากขึ้นมานะั้นเพราะฝีมือของมนุษย์ก็เหมือนกับประเทศไทยของเรา ภ<พ>าอีสานเราแห้งแล้งก็เพราะฝีมือของมนุษย์เนี่ยหรือที่ปักใต้ของเราน้ําท่วมบ้านกระทุนทะเลสุงพังลงมาภูเขาพังก็เพราะฝีมือของมนุษย์ในประเทศเอธิโอเปียนมีประวัติคล้ายๆกับประเทศไทยของเราคือเป็นประเทศที่เป็นพระเอกในแอฟริกาประเทศไทยของเราก็เป็นพระเอกในเอเชียแอฟริกานั้นประกอบไปด้วยประเทศเล็กประเทศน้อยมากมายทั้ง แอฟริกาตอนใต้ตอนเนื้อตอนกลางอ แ, แต่มาเคยไปอยู่มาห้าเดือนแอฟริกาเนี่ยเป็นทะเลทรายซาฮาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มีประเทศพระเอกอยู่ประเทศเดียวคือประเทศเอธิโอเปียเมื่อก่อนที่เรียกว่าเป็นพระเอกนี่คือเขาไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยเขาอยู่ในระหว่างแหลมที่เรียกว่า Hor ์นออฟแอฟริกาอยู่ในนอนร์เรทของแอฟริกาอุดมสมบูรณ์กว่าประเทศอื่นนะเมื่อก่อนนะ่ะ ได้สร้างประเทศนี้ขึ้นมาเก่าแก่มีประวัติย้อนไปถึงที่เป็นประวัติในหน้าประวัติศาสตร์นะย้อนไปถึงสามพันกว่าปีถ้าจะพูดถึง p r e h ส s อรี่คือก่อนประวัติศาสตร์นั้นไม่รู้กี่ปีก็ เ, เหมือนประเทศไทยของเราย้อนกันไปเป็นพันสองพันปีแต่สิ่งที่เราได้เห็นซากวัตถุโบราณทางบ้านเชียงก็ดีทางบ้าน น, อนนอกทาก็ดีหรือทั่วทุกมุมของประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่า ทราบอินทรียวัตถุเหล่านั้นด้วยคาร์บอนการพิสูจน์ทางเคมีอะไรต่างๆเห็นได้ ว, ว่าเป็นสราก ข, ของมนุษย์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนไม่น้อยกว่าเจ็ดแปดพันปีเอธิโอเปียนี่ก็พอๆกับประเทศไทยพระพุทธเจ้าของเราหันตัด้ดยว่ายังยินจิตสมุทรยธทำมังสัพพันธ์ทางนิโรธทำบางสิ่งได้ทึ่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่จะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดา ที่นีความเจริญเกิดขึ้นก็ไปสู่ความเสื่อมได้ความเสื่อมเกิดขึ้นไปสู่ความเจริญได้มันอยู่ที่ฝีมือของมนุษย์เยธรรมาเหตุภวาเตสังเหตุ ต, าา ต, ตุงตะทะโตเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนโสิ่งทั้งหลายเกิดมาจากเหตุมืมหาสมณะเจ้าตัดเหตุนั้นจะดับจะแก้ก็ต้องไปแก้ที่เหตุมัน เพราะเรืงความแห่งแรงขิ้วโหยในประเทศใดก็ตามปัญหาต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในโลกไหนใ น, ใ น, ในมุมใดในสังคมใดในเทวดาบนสวรรค์ก็ตามมันเกิดขึ้นที่จิตใจจิตใจเท่านั้นที่เป็นตัวบงการที่เป็นตัวสาเหตุก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ความวุ่นวายความสงบร่มเย็นต่างๆไม่ว่าในที่ใดก็ตามเพราะฉะนั้นเรามาลองดูว่าประเทศเอธิโอเปียเนี่ยมองดูวความเป็นหมาของเขาบ้าง เขาคร่าวเท่าที่เวลาเราจะมีมันเกือบจะไม่ผิดกันกับประเทศไทยเลยประเทศนี้ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดเลยในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งเศสบางบัวอังกฤษอย่างพวกกานาอย่างนี้พวกมาลีตัวดํำๆอย่างเงี้ยก็อยู่ในแอฟริกาเหมือนกันกาณาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็มาลีตัวดํำๆนี่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแบ่งเงินคนละครึ่งระหว่าง อ่าอฟริกาคนละขึ้นตอนใต้ตอนเหนือตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษเหมือนกับลาวไทยครัเหมือนกับลาวเขมรเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแต่ตรงกันข้ามไปทางตะวันตกของประเทศไทยพมา่าสิลังกาอินเดียปากีสถานเนปาลมาเามกลาเทยันลงไปจนถึงบูนายตอนใต้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษสองประเทศมหาอำนาจนี้ยเขาพยายามที่จะขยายอำนาจแล้วก็รวบเอาประเทศโน้นประเทศนี้เป็นเมืองขึ้น ในแอฟริกา <c oughs> ก็เหมือนกันก็มีเพียงประเทศนี้ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นในเอเชียของเราก็คือประเทศไทยซึ่งไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครเลยแล้วก็น่าจะเจริญที่สุดแต่เ็จแล้วทํำไมเอธิโอเปีย ก, กับสุดหนักแล้วตายกันมาหลายล้านคนแล้วเพราะความอดอยากหิวหอยปัญหาตัวใหญ่เกิดมาจากความแห้งแล้งคือทุบพิกาภัย <c oughs> เอความแห้งแล้งเนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันเกี่ยวโยง ก, กันกับสิ่งที่มนุษย์ทำลงไปที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่แต่เพียงเดียวนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าก็เกิดมีการแห่งแรงที่เมืองเวสาริยาปุเรลโลกามนุษสาุปิกาสัมพูดันทิวิธมัมปังจิปมันตรราทาเพตรีที่เราได้สวดกันน่นทุกไปว่ายากขาดแขนตาบาก พิกขับไปว่าอาหารการกินภัยยะไปว่าภัยความหวาดกลัวเกิดขึ้นทุพิภภัยว่าภัยอันตรายอันเกิดขึ้นจากความอดอยากหิวห้อยขาดแขนอาหารการกินนะเป็นภาษาบาลีนะทุพิภภัยนะในเมืองเวสาลีแต่ก่อนเวสาลียาบุเลรลูกามนุสสะทุพิภสัมพูตันติก็มีมาแล้วแต่ก็พอแก้ไขกันได้ถ้าหากคนมีจิตใจไม่เร็วร้ายจนเกินไป ในสมัยพระเวสสันดรเมืองกะลิงก็ลาดแห่งแรงได้บาขอช่างปจิเยนนาให้ไปเหยียบพระเวสันดรให้สงสารและก็มอบให้มันมีร่องรอยในอดีตในวรรณกรรมในชาดกในนิทานความแห่งแรงก็มีเนี่ยเป็นศัตรูของหมู่สัตว์และมนุษยชาติแต่ในสมัยนี้ความแห่งแรงทางด้านดินฟ้าอากาศเกือบจะหมดความหมายเพราะว่า เราสามารถเรามีเครื่องจกักรกลเรามีเทคโนโลยีสามารถที่จะอย่างในประเทศไทยนี่อาตามานั่งรถเข้าประเทศทางกรุงเทพบงังทังโคราชบางป่าจีนบุรีบังภาคกลางภาคตะวันออก <c oughs> เวลาเวลาได้ผ่านค้นแก่นเมืองผลบ้านไผ่ไปจนถึงบัวใหญ่แถบนี่ยแม่น่าแรงน่าแรงหน้าฝนคนอื่นนำนาหมดตรงนี้ก่อนแรงตรงนี้ก่อนแรง เห็นแล้วก็โศ ส, สารแต่ชาวบ้านก็ยังอยู่กันะมันนึกนึกลองนึกแบบหัวคีดเรื่อยดี ว, ยว่าโอ้เราเคยไปอยู่แอฟริกามาเราไปเคยเคยไปอยู่ทางตะวันออกกลางมาที่นู้นฝนยิ่งไม่ตกที่นี่มันพอตกอยู่ถึงไหมมันไม่มากแต่ว่าแถวเมืองผลบ้านผ่ขอนแก่นอีสานบ้านเฮงเรายังมีชื่อราบเป็นอ่างอ่างถ้าเราจะทำเขื่อนหรือว่าทำอ่างใหญ่ๆตรงที่มันแห้งแล้ง ขุดดินเป็นคูขึ้นมาใหญ่ๆหญ่ใหญ่ๆสามารถชักเอาน้ำโขงส่งมาได้เป็นแอ่งกระทะใหญ่อาวุานายอย่างนี้สามารถทำได้ <c oughs> ในประเทศอินเดียก็ทำมาแล้วก็นึกว่าไอ้เรื่องความแห้งแล้งทางด้านแผ่นดิน เราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีโดยจัดสภาพเหตุปัจจัยของธรรมชาติทำฝนเทียมก็ได้ฝนเทียมไม่ได้ก็ทำคลองเทียมห้วยเทียมขุดมาจังน่นแม่น้ำโค้งหุ่นดันมาจากเชียงคานด่านใต้ผ่านชุมแพว อ, ออกมาทะลุออกค้นแก่นมานี่ยโ้ยแม่น้ำโค้งเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยขวดมาแล้วดีโลดมีแต่พวกปุ๋ยธรรมชาติอยู่ในนั้นไหลมาจากไกลแสนไกลแต่นั่น เราสามารถจะแก้ไขได้แต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่จิตใจคนยังไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจการซืีอสละเท่าที่ควรและความรักบ้านเมืองเท่าที่ควรศัตรูร้ายของประเทศเอธิโอเปียนั้นมันก็เกิดความแห้งแล้งพักนึงแล้วก็มีฝนเมื่อประเทศไทยแล้วก็เคยแห้งแล้งสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่เราก็โยกมาเป็นบ้านเป็นเมืองอาดมาที่พูดอยู่ตัว น, นี้สมัยตอนเด็กๆแห้งแล้ง <c oughs> ที่บ้านแค่มันตาเนี่ยนอกจากแห้งแล้งแล้วบางครั้งน้ําท่วม น้ำท่วมไม่มีข้าวมีปลากินพ่อแม่เคยไปขอข้าวเคยปลูกยาไปแลกข้าวเคยกินเพื่อกินมันสมัยก่อนก็ยังแก้ไขมีชีวิตมาได้โย่ทีนี้เมื่อมันเกิดความแห่งแรงนั้น <c oughs> ท่านาพระเจ้าแผ่นดินจกักรพรรดิไฮเลเซละสี่ทรงแก้ไขไม่ทันทั้งทั้งที่สหรัฐก็ให้เงินช่วยเหลือมาสาสบล้านดอลลาร์ในปีนั้นสองพันหร้สบสองหร้อยสิบ็ ประชาชนอดอยากขาดแคลนอาหารตายทันทีเลยสองแสนคนทันใดนั้นเองเป็นสาเหตุให้คนภายในประเทศคือพันโรเมนเกตชูไฮเลมารี่ยมคนเนี้ยอ้างเป็นสาเหตุบอกว่ารัฐบาล น, นี่ประชาอยู่โหนนี่ไม่เอาใจใส่ต่อความสุขความทุกประชาชนแก้ปัญหาไม่ได้อะไรเลยก็นำกองกำลังเขายุดทำการรัฐประหารในวันที่สิบสองกันยายนสองพันหร้อสิบเจ็ด และทหารไม่พอน ะ, ะ, น ะ, กก ะ, ะกปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวของตนเองคือพรรคคนงานหรือ ว, ว่าพรรคคอมมิวนิสต์นี่เริ่มปัญหาใหญ่มาอยู่ทั้งนี้หลังจากนั้นเองเดือนพฤศจิกายนปีนั้นเองที่ประชุมสภาอาหารโลกในกรุงโรมคืออ่าประเทศอิตาลีพยายามหาทางยุติความเิวี่ยโวย โ, โ, โดยประกาศว่า ประสงค์ในช่วงสิบปีว่าจะต้องมาให้มีคนได้ท้องกิว่วกดอยากขิวโหยในครอบครัวใดจะต้องไม่มีคนยากจนเราต้องช่วยกันให้ได้แต่ก็เป็นเพียงความฝันฝ่ายอันดีงามมันเป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันเราไม่มีเวลาที่จะพูดกันมากนักดอกเมื่อพันโทรเมนเกตู้ให้เลยมาเลี่ยมเนี่ยปฏิวัติแต่แกก็สร้างชาติของแกทาไงรู้ไห ป่าไม้ที่มีมากมากแกก็ตัดทรงขออกขายหลังจากนั้นแกก็ซื้ออาวุธตั้งใจจะขยายอิทธิพลให้มันเป็นพระเอกยิ่งขึ้นในแอฟริกาจะได้เป็นฮีโร่ออฟแอฟริกาขึ้นมาทันทีขายแล้วก็ซื้อรถทั้งซื้ออาวุธซื้ออะไรต่างๆแล้วก็มีปัญหากับประเทศโซมาเลยบ้าง <c oughs> บ้านไก่เลือนเกียนเพื่อนบ้าน <c oughs> ขออภัยเสียงไม่ไหวทีนี้ ในขณะเดียวกันเมื่อทำลายป่าเป็นทรัพยากรเพื่อเป็นแรลเพราะประเทศอื่นก็อดอยากยิ้วห้อยขาดแขนไม้มีประเทศนี้แกก็ขายให้ประเทศโน้นบ้างประเทศนี้บ้างในที่สุดแกก็ได้เงินได้ทองมาแล้วก็มาพัฒนากองทัพแทนที่จะพัฒนาที่ดินพัฒนาแหล่งน้ำอะไรต่างๆยึดทฤษฎีที่ว่าพัฒนากองทัพให้แข็งแกร่งทนในที่สุด ความอดอยากหิวหอยก็ยิ่งเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นความแห่งแรงผู้เจียวชาญทางโภชนาการแถลงบ่าความอดอยากนั้นสามารถพยากร์หรือทํานายล่วงหน้าได้เรามีดาวเทียมหลายดวงโคจรในอวากาศบอกสภาวะอากาศเรามีเทคโนโ ล, โลยีสมัยใหม่ที่สามารถจัดการและสามารถแก้ไขได้ดังนั้นผู้ควรได้รับความตําหนิกก็คือผู้นําเอธิโอเปียปอกปิดไม่เปิดเผยให้โลกรู้ก่อนได้รับ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศก่อ น, นี่จะเห็นภาพความโอดอยากเขียวห้อยแก่ปฏิวัติ ป, ปี2517เมื่อถึงปี2527 27นี่อาตมาก็ยังอยู่ต่างประเทศ25อาตมาอยู่แอฟริกาอยู่ใกล้ๆ ก, กับเอธิโอเปียเอธิโอเปียเตรียมงานใหญ่ตั้งแต่ปี25 26นี่ไปทำอะไรนะโคชนาะโคษสนจะฉลองฉลองใช้ชนะฉลอง การปฏิวัติของตนเองครบสิบปีจะเริ่มฉลองแต่เสร็จแล้วคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีนายคีสกริฟนนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาไปสํารวจแล้วก็เขียนหนังสือเตือนพันโทเมเกตูให้เหลมมาเรี่ยมว่านาสภาปฏิวัติเอธิโอเปียไว้แล้วว่าจะเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นเลยนะจะเกิดความอดอยากหิวโหยที่สุดถ้าท่านมวยไปจัดการกับกองทัพซื้ออาวุธอะไรต่างๆคทำลายป่าไม้ เขาไปขายแล้วก็มาซื้ออาวุธซื้อพัฒนาของทัพเนี้ยท่านจะแย่นะบ้านเมืองจะแย่เตือนไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จท่านกวจะเน้นในเรื่องการพัฒนาชนบทอย่างหนักเหมือนประเทศไทยเรากําลังเน้นพัฒนาอีสานเขียวเนี่ยแต่พันธุโทมเบงเกตูุไม่ฟังคําแนะนำเนำพราะเห็นว่าความอยู่รอดของตนเองความเป็นใจของตนเองจะยิ่งใจกว่าเป็นพระเอกใน ขนาดที่สมัยของตนเองได้เป็นใจนนให้ชื่อของเอธิโอเปียเป็นดังกึกกล้องปากทองของประชาชนไม่ได้สนใจเลยรัฐบาลได้ทุ่มเทเงินร้อยละ40ของผลผลิตรวมของชาติไปใช้ในทางการทหารด้วยการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างน้อย 2,500 ล้านดอลลาร์ไม่ใช่500ล้านบาทนะ500ล้านดอลลาร์ก็กู้เงินจากโซเวียต 2,500 ล้านดอลลาร์มาพัฒนากา ร, กรเกษตรตามแบบอย่างของโซเวียต ด้วยไม่ได้คิดว่โซเวียตเองก็ไปไม่รอดซี่สามารถที่จะเลี้ยปากเลี้ยงท้องต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศมากินอยู่แล้วความอดอยากก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปอกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ทางการใช้จ่ายเงินดึงเป็นหมื่นล้านบาทจากงานฉลองวันครบรอบคือโฆษณาตั้งแต่ปี2525ก 25. ว่าจะจัดฉลองความยิ่งใหญ่ในชนะในการปฏิวัติครบ10ปี ปีนั้นจะมาก็อยู่ที่แอฟริกาตรนเนือพอเริ่มเข้าปีสองพันห้ารอยยิบเจ็ดแกก็ฉลองกันใหญ่เลยโทมเงินไปเป็นหมื่นล้านในการฉลองในงานนี่สั่งซื้อเหล้าวิสกี้หนึ่งแสนขวดจากประเทศอังกฤษลองคิดดกหนึ่งแสนขวดแล้วก็เอาเครื่องบินเอาเรือบรนทุกมาหลังจากนั้นก็สั่งซื้อเบียร์อีกเป็นแ ส, น, สนขวดหมดเงินเป็นหมื่ น, นล้านมโหล้านยิ่งใหญ่สะทานทุง่ง หลังจากนั้นจึงอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปดูบริเวณที่ประสบทุกพิกัยหลังจากนั้นก็ได้พบแต่วความอดอยากหิวโหยเราได้เห็นภาพออกมาจากทางโทรทัศน์น่าสงสารที่สุดเลยความหิวโซ่ถึงขนาดนี้ยังมีอยู่อีกหรือในโลกแต่ก่อนเราไม่เคยพบ <c oughs> นอกจากนั้นเ <c oughs> มื่อหันไปมองดูประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศกินีอังโกลาซิมบับเวประเทศโมซัมบิกประเทศนิยมมากซิดเหล่านี้กําลังประสบความผิวโผล่เป็นสิ่งที่พิสูจน์เห็นได้ว่าลทัทธิคอมมิวนิสนั้นใช้ไม่ได้ในการพัฒนาประเทศในแอฟริกาก็ดีผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นอย่างจริงจังว่าทฤษฎีอันเข้มงวดกวดขันของคอมมิวนิสต์ได้ประสบความล้มเหลวอย่างน่าสังเวชในอินเดียมาแล้วในอินโดนีอินโดจีนอย่างในประเทศลาวเวียดนามเนี่ยเขมเบินอย่างเงี้ย ร้มเหลวเพราะนั้นเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมจิตใจเขายัางไม่ได้พูดถึงโมเดลเล่นการพัฒนาทางกองทัพต่อมาอีกข่าวก็ดังขึ้นดังขึ้นโอ้ยภาพออกมาคนตายผมก็ล่องกาลเองทั้งหลาลองคิดดูว่าทั้งหมดนั้นเกิดมาจากุยมือของคนผู้บริหารประเทศชาติคือพันโทเมเกตุสไฮเล ม, มารมนีเรง เป็นผู้ขาดคุณธรรมที่สุดมักใหญ่ไฟสูงอยากใหญ่ยากดังอยู่อย่างนั้นถึงกำน่าว่าล้างผลานทรัพยากรของชาติเพื่อพัฒนากองทัพจนป่าไม้หมดไปความอดอยากหิวโหยแห้งแล้งอูดแพะแกะลาเด็ดตายกันเป็นฟุงฟ้งๆทีนี้โอ้ยช่วยกันไม่ว่าประเทศใดทั้งฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ฝ่ายเสรีนิยมมะชาติปไตของเราเนี่ย ในส่งเงนินส่งทองส่งข้าวส่งของไปช่วยเหลือมากมายกายกองเลือจากขนานา้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอาการตายทุกตายยากตายอดตายอยากกันเยอะอันนั้นเป็นภาพในหน้าจอทีวีในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราได้พบความอดอยากหิวโหยในเอธิโอเปีย e แต่ภาพของความจริงอันหนึ้งที่เราไม่ต้องไปดูที่หน้าจอโทรทัศน์ไม่ต้องไปดูที่หน้า่หาหนังสือพิมพ์คันลองนั่งรถยนต์หรือรถไฟ จากอีสานบ้านเฮาสกล น, นคร อ, อุดรธานีนี่ลองไปไปลงที่ตลาดหมอชิดท่านจะเห็นคนนอน <c oughs> เกินการอยู่ตามสารฟุตบาทแน่นไปหมดเลยหนะ้าร้อนหนะน้าฝนแต้มไปหมดนอนให้ยุงกินนั่นใครภาพใครถ้าไปดูหัวลำโพงก็เต็มไปหมดลูกเด็กเล็กแดนกระจององเงคนนอนกันอยู่ตรงนั้นเอาชาจะลาเอาฟุตบาทเนี่ยเต็มไปหมดเลยให้ยุงกิน คนเดินข้ามมัวขามามาไล้วเขาไม่ได้สนใจไข่นันถ้าหากเราพูดอย่างไม่อาจก็คือภาพของบุคคลผู้อกผยพลี้ภัยแห่งความอดอยากหิวโหวยจากอีสานเข้าไปสู่กรุงเทพไปแสวงหาแหล่งทํางานบางก็ได้งานทําอย่างทุกทุกบ้างก็ทุกใช้แรงงานอย่างหนักหน่วงแล้วก็ถูกโกงแรงงานยูไปกินไปนี่อะไร เราไม่ต้องอายกันวันนี้เป็นภาพของความจริงภาพของผู้อบพยพนี้ภัยแห่งความอดอยากถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาหันมาพัฒนากันจริงๆจังๆอีสานบ้านเรานั้นการที่รัฐบาลจะทุ่มเงินมาให้อย่าว่าแต่สองหมื่นล้านเลยต่อให้ 8, แปดแสนล้านมาพัฒนาให้อีสานเขียวมันเขียวไม่ได้ล้มเหลว ถ้าหากไม่พัฒนาจิตใจคนอีสานพัฒนาหัวใจคนอีสานพัฒนามันสมองของคนอีสานให้มีสามัญสำนึกเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้รักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงสื่อสละเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนารัฐบาลมีโครงการดีมีหลักการดีมีวิธีการดีมีเงินมีทองดีไปยืมเงินต่างประเทศมาดีเครื่องจากคนทันสมไมมาพัฒนาแผ่นนี้ แต่คนผู้ดาเนินการพัฒนาอาจะมาเคยได้รับนิมนต์ไปปาทกาถาธรรมอีสานเขียวอบรมชาวบ้านเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันเยอะไม่ว่าจะเป็นหน่วยสันตินิมิตตารวจชายแดนไม่ว่าจะเป็นกรปไม่ว่าจะเป็นภาคลัดเอกชนแม้หลายคนโฮมเฮียงป่องหลายผ่ายคือสีแลนด์ตกสีพัยําพร้อมเพื่อหน่อยซีแลนด์ดีคนโบราณว่าจะได้ มัวเมาหล่นคนเดียวบ่มีคูไปพ่อเสื้อโคงหายสิล้ห่องเสดเดิดตายนึกดีใจว่าพร้อมเพียงกันดีเหลือเกินยามทุกอย่างยากแต่ที่ไหนได้พอเอาเข้าจริงๆนึกสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีในหลวงของเราท่านหลังเนื้อพระไทยมาโูกมวลอนณาประชาราชทุกยากเหมือนกับลูกของพระองค์ไม่แต่เส็จแล้วเราทาไง <c oughs> พัฒนากันขารับกันจริงแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ย มาเรียกชาวบ้านคนนมคนสามมารวมกันให้อบรมชาวบ้านแต่เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการพัฒนาอีสานเขียวหน้ห น, นเวลาเราพูดกับชาวบ้านหันก็ไปนั่งกินเหล้าอยู่นอกนู่นนี่มันอะไรพัฒนาอย่างไรให้มีอีกแปดแสนล้านมัวพัฒนากันไม่ไหวมันต้องพัฒนาจิตใจคนอาดมาเคยไปอยู่ทางแอฟริกาเคยไปอยู่ทางตะวันออกกลางถ้าจะพูดถึงความแห้งแล้งของแผ่นดินนั้น S <S เขาแห้งแรงกว่าเราเป็นพันๆเท่าเจาะน้ำบาดาลลงไปเป็นร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยเมตรไปดูประเทศซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เมืองบุเลดากาซิมขึ้นไปจนถึงนู่นนะเมืองไฮแถบแถบนี่้าคารร้อนอบอาฝนฟ้าไม่ตกแต่ว่าชาวบ้านเขาทำนากันเดี๋ยวนี้เครื่องจักรกลือพวกเครื่องฮาร์วสเตอร์เครื่องเกี่ยวข้าวรถไถอะไรล่งไหลไปจากโลกระวันตกไปขาย นางรถผ่านแถวนี้เป็นร้อยร้อยสองสามอกิโลดูดนาในเขียวทำการทะเลสายเพิ่งไม่มีสายฝนเขียวเย็นตาเย็นใจจริงจริงเขาเขียวได้ยังไงเขาดูดน้ำมาจากใต้ดิ น, นูุนใช้เทคโนโลยีสูงมากในการพัฒนาและเขาเอามาทำนาพวกเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกถ้าจะสูบน้ำใต้ดินมาทำนาเนี่ยมันก็ยังทำได้ จอดลงไปไม่มากนะก็ไปเจอแล้วก็โดดขึ้นมาใช้ได้แต่เราใช้เงินกันไม่ใช่ว่าขาดแคลนจนเกินไปซื้อเลขง้วดแล้วเป็นพันก็ยังซื้อเข้าไปทําอย่างอื่นเล่นให้โลไปซื้อควายมาฆ่ากินในบุญกรถินบุญพระเวสสิบตัวยี่สิบตัวในหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งอย่างเนี้ยจะว่าอย่างไงถ้าจะให้ดีเนี่ยลองสิจะแหลงสักแค่ไหนเรามีแหล่งน้ํา ทา้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดินเราทำได้ถ้าหาว่าเราจะเอาบุญพเวทมาซื้อควายมาฆ่ากินสิบตัวบุญกระถินสิบตัวอย่างนี้ไปจ้างนังจ้า ง, างมอลาคิดดูแล้วเงินออกจากบ้านเป็นจำนวนเกือบแสนแต่ละครั้งเนี่ยเอาเงินจำนวนนั้นไม่ต้องมาทะลุงไม่ต้องมาทำลายไม่ต้องเห็นแก่ความเฮือมสนุกสนานอยากเด่นอยากดังเอามาเป็นส่วนการ เรียกว่าสาหกรณ์ทำรวมกันทั้งทางกายและทางใจมณ ะ, ะสหกรณงมีใจเป็นสหกรณ์รวมกันเราไม่ตั้งร้านค้าก็เอาเงินจํานวนเนี้ยเอามาเจาะน้ําบาดาลใหญ่ในมุมทุ่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าเอาข้อใหญ่ๆเลยเจาะลงไปลงทุนเข้าไปสิเอาเป็นบอ่ลบอล้วะบ่อบาดาล น, น้ํำลึกใหญ่ๆเนี้ยหลังจากนั้นเราก็ซื้อเครื่องหรือจะให้ดี อยู่ใก ล, ล้เราก็รวมกันตั้งหมอไปฟ้าอย่างเงี้ยถ้ามันแรงแล้วก็ดูดไม่ใช่เอามาดำนาได้ถ้ามันไม่แรงเราก็ไม่ต้องใช้หน้าแรงจริงๆฝนไม่ตกเราก็ยังปูพืชอืนอ่นๆได้นี่พัฒนาแหล่งน้ําใต้ดินก็ยังได้หรืออพัฒนาแหล่งน้ําบนดินอะไรต่างๆมันสําคัญอยู่ที่จิตใจของชาวอีสานจะต้องพัฒนาจิตใจรักถิ่นฐานบ้านช่อง แต่นี้เรายังไม่มีความภาคภูมิใจคนอีสานต้องด้านด้นหนีห่างไกลเป็นแปดพันเก้าพันไม่ไปทํางานทางตะวันออกกลางทางแอฟริกาซาอดุดีอาราเบียริเบียโู้เขาจะจ้างไปอะไรไปทั้งนั้นเขาจ้างไปข่าวคนที่ไหนก็จะไปเขาจ้างไปรบที่ไหนก็จะไปขอให้มีเงินทําไมเราไม่คิดว่าบ้านเราเมืองเรานี่สามารถที่จะทํามาหากินได้ถ้าเรารักแิ่นฐานรักบ้านรักช่อง พิกพื้นแผ่นดินนี้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนากันจริงๆในนี้เราอย่างไม่มีคนที่จะรักแทนฐานบ้านช่องเท่าที่ควรจิตใจเราฝันายทะเยอทะยานมากไปด้ยวยความโลภความอยากได้วัดภูนิยมเข้ามาครอบงำวัฒนธรรมแห่งการบริโภค ข, ของตะวันตกหลังไหลมาเงินทองไม่มีอยากมีไม่มีก็เลยเป็นหนี้เป็นสินเอาไรเอานาไปจำงจำงความจริงทำนาปีเดียว ไม่ข้าวเอาไว้กินอีกสามปีก็ไม่หมดแต่เราทํานาไปเดียวแล้วขายอีกจก้ะตั้งแต่เริ่มลงไปในนาเริ่มวานกล้าก็ไปหาขายข้าวเขียวแล้วอาจารย์ไหนเดียวเลขมาดีๆก็าขายข้าวเขียวไปซื้อแล้วมันชิบหายไวว่กันหมดเลยการพัฒนาประเทศการพัฒนาอีสานเราต้องพัฒนาคนอีสานให้หัวคนอีสานเขียวเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกอบายามุข สิ่งมอมเมา ช, มช่วยจอมจิตใจตนเองให้เสื่อมเสียจ <c oughs> ิตใจที่ชอบสนุกสนานกินเหล้าสามวันสามคืนเอาบุญเพาะเวทแหบ่บุญแห่กันหล่อนอะไรต่างๆไปเย็นพฤติกรรมใหม่ไปเย็นใหม่เสียเรียก ว, ว่าปฏิวัติทางวัฒนธรรมก็ได้เราไม่ใช่คําว่าปฏิวัติราใช้คำว่าปฏิลูปังที่พระพุทธเจ้าบอกทำให้มันเหมาะสมในยนุคนี้เราก็จะได้ช่วยให้บ้านเราเมืองเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นโสดขึ้นมา หลังจากนั้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนโดยอาศัยหลักธรรมที่ว่าระบบแห่งชีวิตร ะ, ะเบียบของสังคมเดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมเป็นพิษเป็นพิษแก่จิตแก่ใจเป็นพิษแก่ทางร่างกายน้ำเป็นพิษดินเป็นพิษลมเป็นพิษ ผลดองลอยลมพัดมาบ้านพังชิบหายไร้วนหมดเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะมาปะทะมาต้านทานกับแรงลมต้นไม้ต้นลายถูกโคนถูกทําลายหมดเกี้ยงแล้วลมมันเป็นพิษน้ําเป็นพิษอยู่ในน้ําปลูปลาเป็นแผลโว่หวาไปหมดที่มันเป็นพิษเพราะว่าดินเป็นพิษทํำไมดินเป็นพิษมนุษย์ทางมนุษย์ปลูก้นดินต้นหญ้าไม่มีที่กินอ้าบฟัวมะแรงมันเกิดมามันไม่มีอะไรจะกินต้นไม้ถูกทํำลายมัน ก, กินสิ่งที่คนปลูก คนก็เอาอยาไปคุกพวกสารเคมีอะไรต่างๆใส่เข้าไปในเม็ดข้าวเม็ดพืชก่อนจะปลูกปลูกลงดินแล้วส่ลงไปในดินอย่างยากันปัวกกันมดอะไรต่างๆใส่ไปในดินซึ่มลงไปในดินในน้ําน้ําก็เป็นพิษดินก็เป็นพิษออกมาก็ชี้ยาไปเอาไปเอามาเนี่ยเป็นพิษกันไปหมดเลยเป็นพิษกันไปหมดสภาพแวดล้อมกินเข้าไปไม่แน่สิ่งที่เอามาแบกขายอยู่ในตลาดนั้นไม่ได้สะสมสารพิษไว้มากต่อมาก คนขายไม่คํานึง่งว่าคนกินจะเป็นยังไงขอฉีดยาเข้าไปมันอยู่ได้เนี่ยมันตายได้ง่ายๆนะเรือว่ามันเป็นพิษกันไปหมดเลยเมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นพิษสิ่งแวดล้อมภายในคือด้านจิตใจก็เป็นพิษเพียงแต่เปิดวิทยุมารายการที่ยั่วย้อมเมาเมาจิตใจให้เด็กใจแตกใจเพ่ มีเป็นพิษหนังเป็นพิษเอามาฉายอยู่ในวัดในวากอจูปลูบคำฟากกิ้งดิงดองกันเข้าไปพาเห็นก็อยากเึกเลนเห็นก็ไม่ยาง อ, อยู่ชาวบ้านเห็นก็อยากจะเป็นพระเอกนอกจอเหนข่ากันล้างโคกันตัวอย่างจากหนังจากละครในนี้มีการฆ่าล้างโคดเสียใหญ่ๆอย่างกรณีเสียห่วดเสียไรที่เมืองชนเสรกันไปเป็นแถวข่ากันล้างโคดจองล้างจองผ่านมาจากหนังสอนฟังซ้อมให้ใจิตใจคนเที่ยมโหด ไอชาติโหดดูสิหนังละเมียตามล่าสามหมื่นไม่อย่ามาว่าเลยแค่เมืองชนแค่กรุงเทพแค่ประเทศไทยแง่เดียวหนึ่งหนังมันสอนและตามล่าสามหมื่นไม่แถมนี้ต้องชําละไอชาติโหดว่าแล้วไปนั่นเองเพราะมันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทํำลายด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกบวอรประจำท้องถิ่คนควรจะมีกบวอรประจำท้องถิ่นเรียกว่าอืม กรรมการตรวจวิทยุสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนมันไม่ดีพวกนั้งพวกละครเครื่องบันเทิงเรียงลมที่จะมาทําลายจิตใจให้ใจแตกใจพิย่าให้มันเกิดมีขึ้นถ้าจะเป็นก็ให้มันเป็นแนวสร้างสรรค์มีบริษัทได้บ้างสร้างหนังขึ้นมาให้เกิดแนวสร้างสรรค์เป็นคนรักถิ่นฐานบ้านช่องต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องช่วยเหลือตนเองได้ในท้องถิ่น สร้างขึ้นมาสีเรื่องราวเอาโลเกชันความแห้งแรงท่งกุลาล้ลองให้ผ่าอีสานหรือตรงไหนด้วยแล้วเริ่มพัฒนาแผ่น ด, ดินให้มันเด่มันงามอดทนกัดฟันนกหนูปูปีกมันมีปีกมันยังไม่บินหนีเลยมันยังอยู่กับถิน่นกับฐานมันแห้งแรงแค่ไหนมันก็ยังอยู่แต่มนุษย์นี้กระเสือ้อก็พลันดินน้นล้นไปไกลแต่ความจริงเราสามารถที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเราได้แต่นี้เราไม่รักเข้าที่คูว้วนเรายังไม่รักเท่าที่ควรแม้แต่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้า ในชาวภาคอีสานไปรเรียนในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆได้จบเป็นมหาเป็นด็อกเตอร์เป็นพระคูเป็นเจ้าคุณมั่มีใครสักกี่องค์อยากจะกลับบ้านมาพัฒนาจิตใจพี่น้องชาวอีสานเดี๋ยวกรุงเทพยอยู่ภาคกลางอยู่ภาคอื่นดีกว่าแล้วจะได้กินดีอยู่ดีติ ด, ด, ด, ดรูปรสกลิ่นเสียงแสงสีเสีย ง, ง, เ, ยงเครื่องยัว่วยอ้อมเม่าจิตใจตนเองกลับมาบ้านไว้อยู่บ่อใดพ่อสามเมื่อยานเปหล่อขาดอาหารตายฝ่าไปกรุงเทพซะก่อนเนี่ย ลักษณะเช่นนี้เราแห้งแล้งไปหมดเลยไม่ว่าจิตใจพระจิตใจยมมีน้าซ้ําบางองคดิน้นรนจะทําพาสปอร์ตไปอยู่เมืองนอกไปอเมริกาไปหากินกับโรบินฮูดกับพวกลาวพัดถินคารเมนพัดถินบวกลาว อ, อพชิชตัวภาษาอังกฤษตัวเอฮาความปั่นเนี่ยก็ยังอ่านบ่ออกอยากไปเมืองนอกไปทําไมหลวงพ่อเคยมีมาติดต่อมาสอบถามรายละเอียดกับอามารมหาธิอาจารยผมอ ย, อยากไปเมืองนอกทำพาสปอร์ตทํายังไง ไปทําที่ไหนเขามีคนเชิญเขามีคนนิมนต์ไปรับรองค่ะกอง บ, บินผมจะไปทําพระตะปนมันก็ต้องไปที่นู้นกองตพก อ, องตรวจพิสุกออกต่างประเทศเฮ้ยถามเบอรอาตมา ก, ก็ถามคือว่าท่านจะไปทําไมแหละครับอยู่เมืองไทยเราก็พออยู่นี่นะมาช่วยกันอยู่บ้านเราเมืองอเราทูกหยาคให้ไขมันเพี้ยนอดพัน ย, ายาิ่งย่าไล่หลดทำเพี้ยนยาล่าเว้นบ้านเฮาเมืองเฮาเจ้าสิยุดอยู่อย่างบ้านเพลินกินอย่างทางอีสานไทยเฮาแกวกินกันอย่างก่วงภากันอยู่เสือบสั่ง พระธรรวินัยเนี่ยให้มันเจริญรุ่งเรืองศาสนาให้มันเื่องาา ห, าหงหงให้มันฟ้งพีนองสบายบ้างดูคนเป็นอย่างซรอยกันเป็นอย่างไปเฮงอะไรเบริกาดไปป่าวหด น, นํามลขันหนึ่งไดหาร้อยดอนผู้ใดป่าวเน่ไม่ได้ไปเพื่อพระสาทกันนะไม่ได้ไปเพื่อพัฒนาคนไม่ได้ไปเพื่อจะช่วยเหลือเจอจุนอะไรไปเพื่อหาเงินมาเป็นมูดนิธิบับลุงกับเพาะรวยมาก็จะเดชศึกมาสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ เราจะพัฒนากันได้อย่างไรทําไมพัฒนาคนเพราะฉะนั้นพระสองฆ์องค์เจ้าก็ต้องพัฒนาจิตใจไม่ต้องเป็นผู้บูชาวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้วัดเป็นตัวอย่างในการสร้างใหญ่ๆโตๆแข่งกันสร้างโบสถ์ใหญ่ที่สุดซาลาใหญ่ที่สุดกุฏิติดแอร์ดีงามที่สุดรถเก่งติดแอร์ขี่ชาวบา้านเดินมาจังหันเกือบสิเป็นลมตายอย่างเนี้ยมันเลยชวนให้ชาวบ้านอยากจะเอาอย่างทั้งเรื่อที่มันอดอยากอย่างในภาคอีสานเรา พระสององค์เจ้าเป็นตัวอย่างอยู่อย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติวัดจะต้องเป็นตัวอย่างที่เรว่าสร้างวัดให้เป็นอารามที่ร่มรื่นอารามแปลว่าซนไมใ้ให้มันเป็นป่ารักน้ําอารามรักนกพุทธสาวกรักทำนําอีสานให้เขียวขจีพูดแล้วไม่ไม่ใช่คุยนะขออภัยปองอบัตร ต, ตรงนี้ที่วัดของอาดมาเนี่ยนั่นโยมดูนั่นต้นไม้ใหญ่ๆต้นไสใบ ง, งามๆเอามาจากไหนมันไม่ได้เกิดอยู่ตรงนี้ โน่นไปย้ายมาสิบกิโลยี่สิบกิโลเห็นในป่านในเขาตรงไหนไปขุดย้ายมันมาสร้างที่นี่มันมีแต่ดินลูกรลางขุดเอาลูกหลางออกไปสร้างทำอย่างอื่นแล้วก็เอาล้อไปหาเข็นเอาดินทับทรงทับซอยเอามาใส่เอาดินมาใส่เอาลูกหลางออกแล้วก็ไปหาย้ายต้นไมใ้ใหญ่ๆมาปลูกถ้าเราไม่ย้ายมาเดี๋ยว ก, ก็เผาทิ้งบางแห่งถูกเผาเหลือแต่ตอแตกงอกมาใหม่อาจจมาไปย้ายไม่ทันไรสองปีสามปีมั้งก็ เขียวหมดแล้วเนี่เห็นไหมเขียวหมดแล้วตั้งใจว่าห้าปีจะให้มันเขียวที่สุดจะสร้างโคกให้มันเป็นดงให้ทามันเป็นป่ารักน้ําอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมตมอีสานให้เอียวก้าจีเราจะต้องพยาจะต้องเอาวัดนี้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาให้ได้แต่ก่อนต้องวัดเป็นตัวอย่างแห่งการทําลายแปนเออเติร์ปานเดินวัดวะสันเดนี้จะต้องว่าโอ้ยเดีย๋ยวนี้ป่าให้มันมีเหลืออยู่ในวัดอย่างเนี้ยนกหนูปูเปกมันก็จะได้อยู่ได้ป่ารักน้ํา ที่วัดต้องมีป่าร่มรื่นคนมาแล้วเย็นทั้งกายเย็นทั้งจิตแต่ยินเสียงนกเสียงกาแลไม่เกิดการเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่งธรรมชาติโอ้แม้แต่นกกาก็ยังมาอยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่มีแต่ความปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตใหม่มีพิษมีภัยอากาศใหม่เป็นพิษคนใหม่เป็นพิษใหม่มีใครเค้นใครฆ่ามัน แม่้เราเองก็เกิดความมิตรตาตานี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติน่ารักจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่ยังไม่ถูกตามล่ามในภาคอีสานตั้งแต่แมงวันแมงกระสากันยังกินกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้จะยามยังไงเพราะฉะนั้นป่ารักน้ําจะต้องเกิดมีในวัดอารามรักนกปูกต้นไท้ต้นไม้ที่มันเป็นหมากเป็นผลบางคนบอกอาตมาเว้ยจะเป็ น, ปนบ้าแนวกินอะไรเอามาปลูกวั่นนบ้าก็บ้ายอมให้เขาว่าอีกหน่อยนกงูมันจะได้มากินแล้วก็พุทธสาบกรักธรรม ไปเวลาใดเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าศึกษาเหาเรียนนั่งสมาธิอยู่ใต้โคนต้นไม้ศึกษาธรรมเออสนฒนาธรรมกับนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวบ๊ะพัฒนาต้นไม้ความสงบนี่เลยว่าพุทธสาวกรักธรรมไม่ใช่ไปตรงไหนก็เห็นแต่ตู้บริจาคไปตรงไหนก็มีแต่เผย์แผ่เรี่ยไร้ายไปตรงไหนเห็นแต่พระบอกเลขบอกหวยตั้งทังในไสยศาสตร์ตะมอมเซกบ้านอย่างนี้ไม่เรียกว่าพุทธสาวกรักธรรมหลังจากนั้นนําอิสานให้เขียวขจี พราะวันนี้ก็เห็นทีจะต้องยุติด้วยการเวลาที่มันมีเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบางเกินมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ